มีหมาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงมีชัยชนะมีอาณาจักรมั่นคงถึงพร้อมในรัตนะทั้งเจประการคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วขณาดีแก้วพริฤณนายกแก้วเป็นที่เจ็ดพระราชโอรสของพระองค์มีกว่า 1,000 พันล้วนกล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตร์สามารถย่ำยีเสนาข่าศึกได้พระองค์ชนะโดยธรรม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 จะเห็นว่าการเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยบ่งบอกว่ามีบุคคลซึ่งสามารถที่จะรู้ลักษณะของผู้ได้เจ้าได้โดยฐานะที่พรามณ์ก็เรียนกันมาเนี่ยนยีตรงนี้ก็คือว่าได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเกี่ยวในเรื่องของมหาปุริสระขณะพยากรณ์ไว้สาบสองประการบอกว่าพิกษุทั้งหลายมหาบรษ มหาบุรุษในโลกนี้หนึ่งมีพระบาทเสมอกันเป็นอันดีเนี่ยนะตรงนี้ในรายละเอียดอต่มาจะกล่าวโดยสรุปประเด็นนะเพื่อจะได้เข้าไปสู่ในชั้นว่าที่พระพุทธเจ้าได้ลักษณะเช่นนี้เพราะเพราะอะไรที่ได้ลักษณะเช่นนี้ก็เพราะเจริญกุศลกรรมประเภทไหนมาเป็นต้นเหล่าเนี่ยนะอันนั้นเป็นลักษณะของธรรมดาของพระโพวกทีสัตว์ ในชั้นของคำสอนในทีขณิกายปฏิกาะประดีนะแสดงมหาปุริสลักษณะของพุทธเจ้าสามสองประการลักษณะแ ร, แรกที่เรียกว่าสุ ป, ปฏิทิตะปาโทเนี่ยฝ่าพระบาทเสมอกันเนี่ยนี่คือฝ่าพระบาทเต็มสองเหตถาปะทะทะเลสุจาักการนิชาตาณิพื้นพระบาทประดับด้วยรูปจักรประดิษฐ์อยู่พร้อมด้วยกงและกะดุ่มประการที่ส อายะตะปัญหิก็คือส้นพระบาทยาวประการที่สี่ทีคังทีคังคุริก็คือนิ้วพระหัตและนิ้วพระบาทก็จะยาวแล้วก็เรียวประการที่สี่มูธุตรณนะหัตถาปาโดก็คือว่าฝ่าพระหัตและฝ่าพระบาทนั้นอ่อนนุ่มประการที่6ชาลหัตถะปาโดฝ่าพระบาทและฝ่า ฝาพระหัตต์าพระบาทนั้นมีลายดุจตาข่าย7ก็คืออุดสังขับาโดก็หลังพระบาทดุจสังว่วมแปดเอนิชังโกก็พระชงก็คือเรียวดุจแข้งเนื้อทราย 9. ก้าทิตาโกวะอโนนมัมโตอุโพหิปานิตเรหิชุนุ ก, กานิปรารามสติก็เมื่อประทับยืนตรงพระหัตต์ทั้งสองรูปจับพระชาุได้ประการที่10 โกเสหิวัฏคุยโหพระคุยหาก็เร้นอยู่ในฝัก11สุวันนะวันโ น, น, นพระชวีวันกระดุดทองคำา12สุคุมะสุขุมัชชวิก็คือพระชวีวันละเอียดธุรีและละอองไม่ติดพ่อระกาย13เอเกกะโลโมพระโลมามีขุนละเส้นขุมละหนึ่งเส้นนะะอุทักกะโลโมพระโลมาดำสนิทปลายงอนขึ้นเบื้องบน เวียนเป็นทักษีนาวัดคือเวียนขวาชี้ขึ้นประดุดดังจะดูพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นประโลมาของพระบรมศาสดาเนี่ยมีปลายช้อนขึ้นนะนะประดุดดังว่าจะมองพระพักของพระทธเจ้านั่นแหละถ้ามองอย่างนี้พอพูดถึงตรงนี้ทีไรรู้สึกตื่นเต้นว่าพระโลมาของพระบรมศาสดาไม่มีใจยังปรารถนาจากมองพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้า นั่นคือความงดงามของพระพุทธองค์นั้นเดี๋ยวไปดูนะว่าแต่ละแต่ละชิ้นส่วนที่พระบรมศ า, ศ า, ศาสดาทรงได้มานั้นน่ะพระองค์ทํากุศ ล, ลกรรมอะไรมาทําไมจึงได้ลักษณะเช่นนี้และการได้ลักษณะเช่นนี้มาเนี่ยทําไมพระองค์ต้องประดับประดาลักษณะมหาปุริสละขนาดสามสบสองประดับด้วยอนุพยัญชนะอีกแปดสิบ ประดับไว้เพื่อจะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยปั จ, จัยให้กษัตริย์ทั้งหลายได้ตั้งสัตธินรีย์ไว้ในพระผู้มีพรภาคเจ้าจะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงตกแต่งสรีละมา20อสุงไขยด้วยแสนมหากรัปในนี้ที่สั่งสมบารมีสิบอุปปา ร, ปรมีสิบและประมัภะบารมีสิบมาเนี่ยเพื่อตกแต่งสรีละเพื่อจะได้เป็นปัจใจกษัตริย์ ท, ทั้งหลายได้น้อมศรัทธาได้เห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้า และจะได้เป็นปัจจัยในการเข้าไปฟังธรรมและจะได้เป็นปัจจัยแก่การรู้ทั่วถึงธรรมของพระศาสดานั้นน่ะพระองค์ต้องใช้ความเพียรยิ่งยวดขนาดไหนกว่าจะได้พัลลคณะแต่ละชิ้นแต่ละอย่างมาอย่างนี้ไม่ใช่ทํากรรมเพื่อเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเกิดตัณหาราคะเลยทำกรรมเพื่อเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้ง ห, หลายที่มีความโลภจะได้ลดความโลภที่มีความโกรธความโกรธจะได้ลดลงที่มีโมหะโมหะจะได้หมดสิ้นไปในกบุญลสันดานนั้น อ, องค์ก็ตั้งอัธยาศัยมาอย่างยาวไกลในสังสารวัตรพยายามจะตกแต่งลักษณ ะ, จะเจริญกุศลกรรมบท10ีเป็นต้นเหล่านั้นนะเพื่อใครเพื่อเราท่านทั้งหลายนี่แหละฉะนั้นวันนี้ที่จะมาถกมาสนทนามาสอบถามมุมรายละเอียดของกุศลกรรมชั้นหยาบชั้นกลางและชั้นละเอียดสูงสุดที่จะสามารถตกแต่งสรีระให้เป็นพระพุทธเจ้าได้นะ่ะท่านทํากันอย่างไรท่านต้องใช้ความเพียรอย่างไรและเราที่มีสรีระกันแบบเนี้ เราไปทํากรรมอะไรมาจึงได้ลักษณะกันแบบแปลกๆ ก, กันเนี่ยนะหรือมีสรีระบางอย่างใครเห็นแล้วก็รู้สึกหมันไส้เนี่ยนะสมข้อไฟด้วยนะบางคนเห็นโป๊กก็ทําให้เกิดราคะอย่างเหนียวแน่นแล้วเขาก็มาทําบาปกรรมทําชั่วเพราะสริลัของเราเนี่ยเราจะได้รู้จักตัวเองว่าเรานั้นเป็นสัตว์มีบุญแค่ไหนจะได้ดูว่าพพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีบุญขนาดไหนฉะนั้นต้องศึกษาสูตรนี้ด้วยแล้วก็ วินิจใช้ในเรื่องของกุศลกรรมบดอกุศลกรรมบทเนี่นะเปรียบเทียบจึงได้มีการจะสอบถามแต่มาจะอ่านตรงนี้ก่อนนะเพื่อให้เห็นมุมมองแล้วเห็นข้อคิดตรงนี้ก่อนประการต่อมาก็คือว่าพรหมุกขคตโตเกิดถึงไหนแล้วเขาไปสิบหเนี่ยนะพรหมุชุคคตโตเนี่ยพระวรากายประดุดกายของหมหาพรหมคือกายตั้งตรงเ่ยสิบ เ6สิบหกัตตุสโทก็มังสาอุมมในที่7แห่งเจแห่งก็คือหลังพระหลังพหัตทั้งสองหลังมือหลังพระบาททั้งสองหลังเท้าเนี่ยนะพระอังศาทั้งสองก็คือไหล่แล้วก็รัมพระสอก็กลม17สีหะปุปพัทกา ย, ยพระวรากายดูดกายท่อนหน้าของราชสีสิบแปีตันตรังโศพระปฤิสดางราบเสมอกัน ด้านหลังเนี่ยให้แสดงให้สังเกตนะแผ่นหลังของเราจะผ่าออกเป็นสองท่อนแล้วก็เป็นร่องตรงกลางนี่แผ่นหลางกแผ่นหลังก็คนทํากุศลกรรมไม่ละเอียดแต่ถ้าแผ่นหลังหรือพระบิดางของพระพระบรมศาสดานเนี่ยละเอียดแล้วก็เต็มแล้วก็งามลองลูบหลังเราดูทีบางทีเผลอๆจะมีครีบข้างหลังระวังไว้นะทั้งนั้นนวล น, น่ากลัวะ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 ของโอชาอาหารต่างหลายนะไม่วิ่งไปหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นคนบางคนก็ผอมบาง บ, บางอ้วนก็อ้วนเกินก็เหตุบ้างเนี่ยอะไรเยอะแยะสีหานุสีหาหานุก็คือว่าพระหนุคือคือคางดุดคางราชสีจัตตารีสาดันโตพระทนก็คือฟันทั้งหมดมีสี่สิบซี่หลายท่านนับแล้วเหลือไม่ถึงห้าซี่ก็มีเนบางคนเนินเนินก็จะหมดแล้ว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 พรมสโรกราวิกกภานีพระสุระเสียงดุดเสียงพรมสําเนียงดุดนกกระเวกเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบไปดูในะนกกระเวกนกกระเวกเนี่ยเสียงเนี่ยว่าเพราะที่สุดเนี่ยนะไม่เท่าเสียงพรุทธเจ้าแล้วก็อภินีระเนตโตพระเนตรดำดุดสีนินสามสิบโครปรมุกโขดวงพระเนตรแจ่มใสดุดในตาของลูกโค โคดำกับโคแดงนะบอกว่าโคดำก็ลูกลูกโคดำานตาก็จะดำหน่อยแต่ถ้าลูกโคแดงที่เกิดในวันนั้นก็จะแจ่มใสจะสวยงามมากพระเจ้าก็จะเป็นรักเาอุณนานาพระมุมันเรชาตามีพระอุณาโรมอยู่ระหว่างพระขนงอุณาโรมก็คือคนคิวนะ้วขาวอุณหิโสสะพระเสียงามดุดประดับด้วยกรอบพระพัก รอบประพักพระมหาบุรุษเพียพร้อมได้มหาปุริสตะลักนาสามประการนี้ย่อมมีคติสองเท่านั้นถ้าหากเป็นคารวะาก็จะเป็นเจ้าประจกัจกษจักรพรรดิราชในผู้ทรงธรรมเนี่ยนะแต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระสามมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะในรายละเอียดตรงนี้ในชั้นคําสอนเนี่ยนะก็เดี๋ยวจะตรวจสอบกันดูนะแล้วก็จะศึกษาในรายละเอียดในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะ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 ในความเป็นผู้เคารพในผู้ใหญ่ในตระกูลในธรรมในกุศลกรรมมันยิ่งยิ่งตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าเจตตายพระกายแต่นะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะพอก ร, รมที่ทําไว้สั่งสมพอกคูณทําให้ภัยบุญพระตถาคติครอบงำเทวดาเราอื่นในโลกสวรรค์เนี่ยโดยฐานะสิบประการนะครอบงำก็คือว่าอายุทิพย์เนี่ยครอบงมเทวดาในในภนะูมินั้น วันน้าคือผิวพันธ์ก็ทิพความสุขก็ทิพยอดก็ทิพความเป็นอธิบดีทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพและโลถั่วที่ทิพชั้นจุติคือตายจากโลกสวรรค์แล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้อย่างนี้หมายความว่ามาสู่ความเป็นมนุษย์นะหรือมาสู่ความเป็นเจ้าชายศรีษะถ่าแะย่อมได้มหาบุริสระขนาดนี้ตรงนี้ในชั้นคําสอนต้องไปตรวจสอบว่าในสูตรเนี้นะ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 อัมาก็เหมือนกันฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเพราะเหตุไรจึงได้สถานะนั้นคือพวกฤาษีแม้เป็นคนนอกก็ทรงจำมหาลักษณะ32ประการเหล่านี้ได้สังเกตดูในพรมายุสูตรเนี่ยนะที่พระบรมศาสดาสแสดงโปรดพรมายุพรามเนี่ยพรมมายุเนี่ยรู้ลักษณะ32ประการ ด้วยการที่พอทราบข่าวว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผ้าอรหันต์เป็นผู้ไกลาจากกิเลสตัสรเุเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นต้นเหล่านี้เป็นไปตามลําดับพระสุรเสียงหรือผ้าเกียรติคุณของพระบ ร, รมศาสดานี้กระชอนไปทั่วชมพูทวีปแล้วก็กระชอนไปในเทวภูมิพรหมภูมิเป็นต้นด้วยฉะนั้นเมื่อพรมายุทราบข่าวอย่างนั้น ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกก็เลยให้อุตรามนพซึ่งเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะบอกว่าลองไปดูทีว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่เขาว่าไว้จริงไหมถ้าเป็นพระุทธเจ้าเธอจงเอาคัมภีร์ของเราที่เราศึกษาเราเรียนมาเนี่ยว่ามหาปุริสราขนาดสามสองประการจริงหรือไม่เพราะในยุคนี้ใครก็มาประกาศว่าเป็นผู้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้ากันเยอะ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 ก็กลับมารายงานอาจารย์เป็นต้นเหตเนี่ยนะ น, นี่ในร า, ายละเอียดเดี๋ยวแค่ว่ากันสรุปแล้วก็คือคัมภีร์นี้มหาผลิตสาขนาดเนี่ยพรามได้เอาไปแทรกเอาไว้เออพรมจากสุดท้าวาดนั้นนะ่ะแปลงกายมาเป็นพรามแล้วก็มาแทรกไว้ในตําราของพรามแต่พอพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมานี่นะพอจะเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยคัมภีร์นี้ก็เรือนลางหายไปเออหลังจากไอหลังจาก การตัดสู้ของพระเจ้าแล้วในคัมภีร์พรามนี่ก็เรือนล้างหายไปก็จะมาอยู่ในลักษณะสูตรเนี้ยแต่ในคัมภี์ของพราหมณ์นั้นจะบอกไว้แต่เฉพาะว่าลักษณะของบุคคลที่ได้ฐานานี้แล้วจะมีลักษณะสองประการคือถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นจักรพรรดิแต่ถ้าหากว่าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้แต่ไม่รู้ว่าทํากรรมอะไรมาจึงได้ฐานานี้อันนั้นเขาไม่ทราบ น, นี้ตรงนี้ก็คือว่า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 พระมหาบรุษมีพระบาทเสมอกันเป็นอันดีคือมีฝ่าพระบาทเสมอกันเนี่ยทรงยกพระบาทขึ้นก็เสมอการฝ่าพระบาททุกส่วนจรดพื้นก็เสมอกันพระมรุษพระมหาบรุษ่ษถึงพร้อมในลักษณะนั้นหากอยู่คลองเรือนก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชามีหมหาสมุดเป็นขอบเขตทรงมีชัยชนะมีอาณาจักรมั่นคงถึงพร้อมด้วยรัตนะทั้ง7ก็คือได้จักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้ ว, ก ว, กวมณีนางแก้วข้าราชกาีแก้วและปริสนายกแก้วเป็นที่7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 ถ้าอย่างเราศึกษาพระธรรมตรงนี้โดยมากถ้าอากุศลรกรรมทั้งหลายเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าไม่ครบกรรมาบทก็จะไม่ค่อยเป็นไรหรอกใช่ไหมฉะนั้นกรรมที่ครบกรรมมาบทเท่านั้นที่จะให้ผลในปฏิสนธิการได้โดยมากเราจะคิดกันแค่นี้ไงแต่เดี๋ยวจะไปเก็บประเด็นในคำสอนความค้องใจทั้งหลายในครั้งนี้ว่าที่จริงแล้วไอ้กรรมที่ไม่ครบกรรมาบท มันก็ให้ผลในประวัติกรรมแล้วก็สร้างความเจ็บปวดกันได้เยอะอย่างไรด้ว ย, วยตรงนี้นะเราจะได้มาถกมาหามุมทีนี้คำว่ายึดมั่นเนี่ยธรรมท า, านมั่นคงนั่นแหละในกุศลกรรมอบท10เหนียวแน่นเป็นนิดคือยึดมั่นไม่ถอยหลังจิตของพระโพธิสัตย์ย่มหดกลับจากอากุศลกรรม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 ตรงนี้เป็นข้อบ่องบอกว่าในชั้นของคำสอนท่านถึงบอกว่ามหาสมุทรเนี่ยถึงแม้ว่าจากถึงแม้ว่าจากเป็นสิ่งที่กว้างและลึกแต่ถ้าท่านมุ่งมั่นว่าจะต้องข้ามให้ได้ก็ปรากฏเหมือนน้ำที่น้อยเหมือนของที่น้อยท่านถึงบอกกเทวดาท่านถึงบอกกัเท้าสากาเป็นต้น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 ให้ท่านขยายมุมของกุศลกรรมบท10บให้เห็นภาพทั้งกรณีที่ว่าเป็นกรรมทั้งหลายเหล่านี้นะนะเป็นกรรมเป็นกุศลกรรมบทและที่เป็นไปแกการครบอ ง, ง น, นะแล้วต่อไปเราก็จะดูดูดอานิสงแล้วก็จะมาเทียบเคียงพระโพธิสัตว์ท่านทำกรรมของท่าน ที่กรำที่ปันนีดในกรณี่งการเจริญบา ร, รมีทั้งหลายเป็นต้นได้อขออนุโมทันเรือ่อ่ง เ, เ, เ, เ <c oughs> จเริญพรญาติโยมถ่ายนะโยมนะ ก็วันนี้เป็นโอกาสดีได้มาพูดเรื่องการม บ, บทชนโยมเนืงจากอาจารย์สมทบท่านอธิบายโยมถึงเรื่อง <c oughs> การเจริญกุศลแล้วก็พระโพธิสัตว์ในชาติก่อนกำเนิดก่อนน่นะท่านก็กว่าจะได้มาุพธิสัลขณะอย่างแรกมาคือพระบาทเต็มเสมอเรียบดีนะก็ได้โดยการเป็นผู้ตั้งมั่นนะนะในการเจริญกุศลทั้งหลายกุศลกรรมบว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 ก็เป็นที่เรารักษาสิน5กันด้วยใช่ไหมสิน5้าข้อที่1ก็ห้ามฆ่าสัตว์เราก็จะรู้ว่าองค์ประกอบของการห้ามฆ่าสัตว์มีเท่าไหร่เอ่ยมี5ข้อเนาะทวนนิดหนึ่งแล้วกันนะเนาะไหนก็หนึ่งก็ปา โ, โ น, นะเนาะสัตว์มีชีวิตนะสองปานสัญญิตานะแปลว่ารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต3วัถกะจิตตังนะมีจิต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 ภูมิไหนดีกว่ากันใช่ไหมสัตว์นรกกับสัตว์เดรัจฉานอะไรดีกว่ากันเดรัจฉานเดรัจฉานกับเปรตอะไรดีกว่ากัน <Okay. S 2> เออเมื่อเช้าจะมาเหมือนจะได้ฟังอบายภูมิมีแค่สาเองโยมหายไปในหนึ่งก็ไม่รู้ อ, ส, อสุรกายหนึ่งเนาะเออทาไมหายไปล่ะโยมอ๋อจัดอยู่ในเปรตนัะนเองนะเออก็คุยกันเผื่อไว้นะเดี๋ยวเกิดมีใครลืมหรือสงสัยว่าทําไมอสุรกายจึงไม่กล่าวอสุรกายจริงๆเขาเป็น กลุ่มเปตตระกูลหนึ่งอันนันเองนะเป็นกลุ่มเปตตระกูลหนึ่งถ้าจะจัดเป็น3ก็ได้เป็น4ก็ได้แต่บุติเราจะได้ยินว่า4นั่นเองนะก็อกุศลอย่าง ข, าา ข, าข้อข้อแรกที่ปาณาฏิบาตการทำชีวิตสัตว์ให้ตกร่วงเมื่อครบองค์ประกอบก็จะทำปฏินนสนธินะในอบายภูมิทั้ง4ภูมิ น, นั่นเองนะแต่ถ้าเขาไม่สามารถให้มีโอกาสนะทำปฏิสนธิในปฏิสนธิการก็จะให้ในประวัติการคือหลังจากเกิดมาแล้ว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 แล้วแต่กันไปว่าขณะนั้นคิดด้วยอย่างไรนั่นเองนะตัวนี้คือตัวบากตัวบากตัวอักุสนที่ตั้งขึ้นนะตัวอกุสนที่ตั้งขึ้นส่วนอุปกรมความเพียรนะนะหรือว่ายาโมเนี่ยตัวเดียวกันนะความเพียรเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเป็นตัวที่ประกอบอยู่ในจิตนะแต่ตัวนี้เขาตั้งเป็นอีกองหนึ่งหรือองค์สุดท้ายที่เตนะมรนังนะสัตว์นั้นตายลงในหองค์นี้องค์ที่เป็นตัวกรรมจริงๆนะ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 มันก็ไม่ครบองใช่ไ้มโยมนะแต่โกรธแต่โกดอยู่นะคิดใจว่าจะฆ่ามันฆ่ามันเคยโกรธไข่แล้วก็หันผักด้วยคิดว่าเจ้าคนนี้คือผักไหมอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็หันหันหันอย่างนี้นะบาปก็ไม่สําเร็จเป็นครบองค์นะก็ไม่สามารถให้ในปฏิสนธิการได้แต่จะให้ผลในประวัติการเออเราต้องกลัวบาปแบบนี้ไหมกลัวไม่กลัวโยมก็แต่ส่วนใหญ่ชาวโลกเขาไม่กลัวกันเนาะเขาจะไม่กลัวกัน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 ไม่ถูกใจไม่อยากได้เลยสิ่งอย่างเนี้ยไม่อยากเห็นเลยไม่อยากได้ยินเสียงตําหนิติเตียนคาําด่าคําว่าแบบนี้เลยทําคําที่ทําให้ช้ําใจแบบนี้เลยแต่ต้องได้ต้องประสบต้องพบต้องเจอคุ้มกันไหมโยมไม่คุ้มนะไม่คุ้มตรงนี้นั่นเองนะจึงเป็นประเด็นที่ที่เราต้องต้องตระหนักต้องรู้นะต้องตระหนักแล้วต้องรู้ว่า จริงๆชีวิตเราต้องการอะไรเราต้องการสิ่งที่ดีในชีวิตแต่ฉไหนเราจึงสร้างเหตุที่ตรงกันข้ามกับชีวิตของเราเราฉไหนเราบอกว่าเราต้องการเห็นได้เห็นสิ่งที่เราปรารถนาชอบใจหรือสิ่งที่เราดีใจชื่นใจสุขใจแต่เวลาเราสร้างเหตุทําไมเราถึงสร้างเหตุเป็นฝ่ายบาฝ่ายกุศลอย่างยกประเด็นของอกุศลกบฏข้อแรกใช่ไหมเรื่องปานปฏิบาตถ้าครบองค์ก็แน่นอนแหละแต่ถ้าไม่ครบองค์มันก็ยังรุนแรงนะ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 ซงอั น, นี้เนี่ยธรรมาเชื่อว่าโยมในที่นี้ทุกคนก็ต้องการแบบนี้เหมือนกันพอโยมในที่นี้อายุก็ไม่มีใครน้อยๆกันแล้ววันก่อนธรรมาได้คุยกับสัมมเนนได้คุยกับสั ม, มเนนด้วยนะสัมมเนนอายุน้อยๆเห็นอยู่เนาะโยมเนาะสัมมาเนยนย้เรื่องนี้ปุ๊บสัมาเนนบอกว่าผมจะไม่ทําบาปอีกแล้วครับผมกลัวมากเลยแล้วจิตที่คิดจะฆ่าก็ไม่กล้าให้เกิดขึ้นด้วยเดียวว่าแต่คบกรรมบวนะโยมไม่คบกรรมบวสั ม, มเนนก็บอกว่าไม่เอาแล้วกลัว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 อย่างนี้เป็นต้นก็คือละอกุศลที่ครบองโดยได้อย่างแน่นอนในชีวิตนี้นะแล้วก็ถ้าดีกว่านั้นก็ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือละจากอากุศลที่ไม่ครบองค์ด้วยนะที่ไม่ครบองค์ด้วยโดยเห็นว่าความเป็นโทษเป็นภัยเพราะเรารู้แล้วเนาะอย่างเป็นต้นว่าโทษภัยของเขาของอกุศละจิตอย่างอย่างข้อแรกเป็นโทสะว่ตกาจิตตังเนี่ยเป็นโทสะมูลจิตนะโทสะมูลจิตที่มีโทสะ นะเจตสิกคือจิตเจตสิกที่คิดจะประทุสร้ายเป็นประธานนั่นเองนะตัวนี้นั่นเองให้ผลในายฝ่ายที่ไม่ดีฝ่ายที่แย่ฝ่ายที่ไม่สมปาถนาจริงๆแล้วอากุศลที่ถึงสองก็ให้ผลไม่น่าปาถนาทั้งหมดใช่ไหมเนาะไม่น่าปาถนาทั้งหมดก้อนนี้ก็เป็นข้อที่1 น, นะปานาจิบาทข้อที่1ก็พูดรวมไปด้วยเลยจย์มีอะไรเพิ่มเติมครับ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 ข้อที่สก็อ่อนแอเป็นคนที่อ่อนแอะก็มีกำลังกายเฉยชา5ก็เป็นคนหวาดกลัวได้ง่ายเป็นต้นก็จะสอบถามให้ท่านอาจารย์ท่านได้อธิบายเป็น ม, มุมๆไปว่าทุกพลภาพรูปไม่งามร่างกายอ่อนแอเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการฆ่ามันไปเกี่ยวกันอะไรกับการฆ่า หรือกรรมที่ไม่ครบกรรมมาบทเนี่ยมันทำไมไม่มาให้ผลได้ได้ลักษณะอย่างนี้ขออนุโมทนา ค, ค, ครับอาจารย์ครับก็อย่างชิมขี่เรารู้ว่าอกุศลน่ะนะเวลาให้ผลก็ทําให้มีอวัยวะร่างกายทุกพลภาพนะเนาะก็จะสังเกตได้ว่าเวลาเราเราทำปานอธิบาติครบค์เดี๋ยก่อนเลยนะเอาครบองค์ก่อนเลยเราก็บางทีเราจะฆ่าสัตว์เนี่ย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 หรือว่าอะไรเป็นอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าก็จะเห็นชัดว่ากว่าที่เขาจะตายเขาจะต้องสูญเสียอาอยวะเราอื่นก่อนอย่างนี้เป็นต้นกรรมเนี้ยเวลามันให้ผลนะให้ผลเต็มๆในในช่วงช่วงปฏิวัติการนะ่ะถ้าเขาให้ผลได้แรงที่สุดเลยนะเขาตัดเอาชีวิตเราไปเลยเช่นว่ามนุษย์ยุคนี้ควรจะมีเจ็ดสิบห้าปีใช่ไหมโยมนะเป็นประมาณเราก็ถ้าเขามาตัด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 เดินเไปอย่างเงี้ยโดนรถชนแขนหักเดินเดินไปอย่างวันก่อนได้ยินไม่ชีคนหนึ่งบอกว่าตกรถลงมาหูหูหูก็ใช้ไม่ได้ไปหนึ่งข้างนะร่ะแม่ชีอคนนึงมีแต่แม่ชีนะนอกจากเรื่องในวัดนะน้โยมนะแม่ชีคนหนึ่งโดนรถชนตาตาข้างหนึ่งก็เสียไปเลยนะเสียไปเลยใช้ไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นก็อย่างนี้ก็เป็นกลุ่มของที่อกุศลพวกปณฏิบาต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 ที่เกิดขึ้นแล้วนาผลไปสู่อาบายโดยไม่มีการฆ่าใครจริงๆไม่มีพ้นใครจริงๆไม่มีทําอะไรจริงๆแค่คิดในใจก็สําเร็จพาเราไปสู่อาบายเออแปลกไหมโยมตอแนแรกเราก็นึก ว, ว่าต้องทุ่มสินหเท่านั้นนะคือไปฆ่าสัตว์จริงๆเท่านั้นไปรักทรัพย์จริงๆเท่านั้นไปประพฤติผิดลูกเมียคนอื่นไปพูดโกหกพูดคำหยาเพื่อเจิดส่อเสียดเท่านั้นแต่จะมีอกุศลนี่กลุ่มหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะพูดไปถึงก็คือมโนทุจริตนะนะทั้งสาอย่าง ไม่ต้องทำอะไรเลยโยมคิดเฉยๆนอนคิดอยู่ที่บ้านก็ตกนรกได้นอนคิดอยู่ที่บ้านดีๆก็ตายไปเป็นเปรตได้นอนคิดอยู่ที่บ้านดีๆก็ไปเป็นอบายสัตว์คือกลุ่มสัตว์อิ ร, ริชานได้ดีไหมโยมไม่ดีนะ <c oughs> ออกนึกว่าดี <c oughs> นะนอนอยู่เฉยๆนะก็ได้ไปอย่างนั้นเหมือนกันแปลว่าแปลว่าบาปจริงๆมันไปอยู่ที่ความคิดนึกนะ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 มีอาชีพนี้ยนั่นเองนะก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือนักฆ่านั่นเองนะถ้าพูดอีกทีคือพ่อครัวนี่ก็คือนักฆ่าดีๆใช่ไหมโยนั่นเองก็คนคนนี้ตอนก่อนจะตายอนะก่อนจะตายอันนี้จริ ง, จรงๆจะมาไม่ได้เห็นนะพูดผิดเดีกลายเป็นโกหกเขาเล่าให้ฟังลูกหลานก็าเล่าให้ฟังว่าพ่อของเขาเนี้ยถูกผ่าสองข้างตรงที่ท้องซึ่งตอนตายไปแล้วลูกจึงไปเห็นว่าพ่อเขาถูกผ่า ถูกผ่าซึ่งหมอก็าไม่ได้บอกว่าผ่าเพราะอะไรด้วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เสียชีวิตไปซึ่งซึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะนโนยมก็จะเห็นอันนี้ธรรมาก็รู้สึกว่าเออมันเห็นชัดนะว่ากรรมที่เขาทนะําน่ะในชีวิตตอนที่เป็นอยู่เนี่ยเขาต้องต้องคอยฆ่าสิ่งมีชีวิตแล้วก็ท่าแถวนั้นนะ่ะแล้วก็<ม>ลายมีดก็จะเอียงๆอย่างนั้นเหมือนกันพอเขาก่อนเขาจะตายเขาก็ถูกผ่าตรงนั้นเหมือนกันที่ท้องสองข้างแล้วก็ลอยของการผ่าก็ยงังเอียงแบบนั้นเหมือนกัน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 ได้ด้วยเนาะให้บลในชาตินี้ได้ด้วยครับอาจารย์ครับ เ, ออเดี๋ยวตรงนี้ขอขอให้ดูในในในลักษณะสูตรเทียบเคียงตรงนี้นิดหนึ่งพระพุทธเจ้าตราัสเอาไว้ที่มีลักษณะส้นพระบาทยาวมีพระวรก า, ายตั้งตรงและนิ้วประหัดยาวแล้วก็อ่อนนุ่ม ในข้อนี้พระพุทธเจ้าบอกพิกษู่ทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในพบก่อนในกำเนิดก่อนพระ อ, องค์เคยละปันละปนานาติบาเว้นขาดจากปานาติบาตววางอาจฉรวางศัตตรามีความละอายมีความการุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ตถาคตย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทําสั่งสมพ่อปูนทําให้บริบูรณ์ ตถาคตย่อมได้ครอบงำมนุษย์เทวดาในโลกด้วยฐานะสิอายุทิพวรรณทิพความสุขยศทิพสุความเป็นอธิบดีทิพสรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพสุขโภทะพระที่เป็นทิพสุขั้นจุติจากโลกสวรรค์มาสู่ความเป็นอย่างนี้คือเป็นมนุษย์เนี่ยย่อมได้มหาภุริสารขนาด32ประการคือหนึ่งส้นพระบาทยาวสองก็มีองค์ พระ อ, องคุลีก็ยาวสามเป้ราร่างกายก็ตั้งตรงเหมือนกายของพรงพมพระมหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเหล่านี้หากคองเรือนจะเป็นจักรพรรดิีราชถ้าออกบวชเป็นเป็ น, นพระชษฐ์จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสในโลกเปิดแล้วแล้วก็จะมีพระชนมายุยืนยาวไม่มีค้าศึกศัตรูตรงนี้ก็คือว่านิ้วนิ้วมือเนี่ยนะนิ้วพระหัตถ์ แล้ก็นิ้วเพาบาดยาวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราดูก็คือว่าลักษณะก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบในชั้นคําสอนบอกชนทั้งหลายจงรู้ว่าตรงเนี้นะผู้ละผู้จะทําปานอธิบาตเนี่ยตรงนี้ท่านกล่าวไว้ในชั้นของคําสอนบอกว่า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 ตรงนี้ก็คือไม่ให้สังเกตเขาบอกว่านิกรรมที่ทำจากการย่องไปฆ่าเขามันเป็นอกุศรลกรรมตั้งแต่นั้นแล้วบางคนก็เท้าก็เฉีเข้าบางคนเท้าก็เฉออกบางคนก็เท้าก็โยงนะและตรงกลางเท้าก็เว้าไม่ทราบว่าใครเป็นอย่างนี้บ้างก็แอ บ, บดูเท้าตรงนี้นะทีนี้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 ก็กลายเป็นโคดถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลายเป็นมนุษย์ที่มีลักษณะที่ไม่งามเพะเอิญพวกเราส้นส้นเท้าเศร้าสั้นเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยดูว่างามไปแล้วทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นความไม่งามนะพวกเราเนี่ยเพราะกรรมเกี่ยวกับกรปฏิบาตเนี่ยร่างหนาส้นเท้าที่สันส้นๆกันทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นเวลามามองตอนเองแล้วก็มองญาติยอมทั้งหลายมันก็กลัวแสดงว่าคนเคย ทำกรรมที่ไม่ค่อยดีมาจริงไหมโยอมอรวัตอีกอย่างหนึ่งชนทั้งหลายผู้จะไปทำกระทำปานาธิบัติจะไปฆ่าเขาต้องถืออาวุธไหมถือไม้ค้อนหรือกำรรมหมัดเพื่อจะไปฆ่าเขาเวลาจะลงมือฆ่าเขาก็จะต้องกรรมอาวุธไว้ให้แน่นข้อนิ้วก็จะปูดออกมาข้อนิ้วก็จะขยายใหญ่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 แค่เริ่มก้มไปจิตที่คิดชั่วไปแล้วในขณะนั้นอกุศรลกรรมประเภทนั้นเวลาให้ผลมาล้วก็จะมีสรีระที่โค้งงอบ้างสรีระที่ค่อมบ้างเกิดเป็นคนเตี้ยบ้างไม่สูงบ้างเพราะกลัวคนอื่นจะเห็นเนี่ยทำให้พวกชนเหล่านั้นเกิดมาก็ตัวค่อมเป็นคนตัวแคบพิการมีโรคเป็นต้นอย่างนี้นะ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 ปัญญาเป็นยังไงปัญญาก็าไม่ว่องไวอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนขาดระ้วหวาดกลัวได้ง่ายเพราะทํากรรมประเภทที่ไปฆ่าเขามาเยอะเนี่ยก็กลายเป็นคนหวาดกลัวง่ายมันมีอยู่ข้อหนึ่งนะเดีย๋ยวจะถามท่านอาจารย์ให้ขยายสองข้อคือในข้อของปณฏิบาติเนี่ยฆ่าตัวตายหรือถูกฆ่ากับพินาฏพรบบริวารเนี่ย อันนี้อันนกรรมในประวัติการให้ผลในวัติการขอขอกุโมทนาครับก็คือจริงๆแล้วา ก, การฆ่าสัตว์เนี่ยมีอานิสงส์เยอะนะโยมนะการฆ่าสัตว์มีกําไรมากเลยโยมอย่างที่มิเกียจานทร์ท่านว่าไปแล้วก็มิเกียอาจาร์อมทบท่านอ๋อไม่อยากได้นะโยมนะ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 หรือตมานึกถึงตัวเองนะเมื่อก่อนตะมาเคยข่าเมงสาบโยมตะมาก็จะเท้าเนี่ยเหยียบนะแล้วก็จะแบนแตะ แ, แ, แล้วก็ดังแปะด้วยนะตะมายังนึกอยู่ว่า <c oughs> คําอย่างนี้ตะมาโดนแล้วตมาจะดังตะมาจะดังแปะอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะลองนึกดูเนาะยิ่งอุปยุกนี้มีอุปกรณ์แปลกๆเยอะเนาะไอ้เครื่องดังแปะแปะเนี่ยเยอะนะเออโยมลองนึกดูนะว่าโยมโยมอยากดังแปะ๊ะแปะนั้นบ้างไหมถ้าไม่อยากก็ก็ไม่อยากเนาะ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 มีปกติมีผิดเกี่ยวกับเรื่องการพูดปกตทุจริตเนาะก็จะมีผลทำให้พูดอะไรใครก็ไม่เชื่อถือใช่ไหมแต่เราเป็นคนชอบอยากจะไปบอกเล่าให้คนอื่นฟังและอยากให้เขาเชื่อเราเป็นไงโยมเดือดร้อนสิใช่หมเรามีปกติชอบเกาวด่าว่าคนอื่นเงี้ยนี่เขาเรียกว่าพลุสว่าใช่ไมกรรมเหล่านี้เวลาให้ผลในปัจจุบันชาติก็ขาดความเชื่อถืออย่างเป็นต้นด้วยใช่ไหม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 ถ้าเราอยากให้ใครเชื่อถือเร า, เราทําไงเราสร้างเหตุใหม่แต่มันได้ไปมองไปที่เขาแล้วมองไปที่ตัวเรานะปัญหาอะไรให้มองกลับมาที่ตัวเราว่าเราจะแก้กรรมของเราอย่างไรแก้กรรมไม่ได้ไปสะดอกเคาะนะฟังให้ดีนะหมายถึงแก้การกระทําของเราใหม่นั่นเองนะแก้การกระทําของเราใหม่ตรงนี้ก็พูดเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์นะโ ย, ยมนะที่ครบกลับมาบท น, นั่นเองแล้วก็อาจารย์สมทบก็พูดเรื่องเรื่องฝ่ายตรงข้ามกันใช่ไหม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 แเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะขยายต่อเนาะดีไหมเอ่ยดีนะอ๋ อ, อท่านอาจารย์ครับตรงนี้เกี่ยวในเรื่องปฏิบตัติหรืออยู่คลองเนเกี่ยวเรื่องของพินาศพินา ศ, นาศบริวารเนี่ยมีบริวารก็พินาศที่เมื่อสักครู่เนี่ยพระนั่นยังออท่านอาจารย์ก็ัยังไม่ได้ขยาย ก็เกี่ยวกันในเรื่องของปฏิบาทนะท่านบอกว่าอีกข้อหนึ่งก็คือพินาศมีบริวารก็บริวารพินาศออนนเนี่ยขออนิมทน์ขอหนึข้อกาสคอท่านครับก็เออแปลกมโยมทำไมฆ่าสัตว์แล้วทำให้เรามีเราเสื่อมจากบริวารเออน่าคิดเนาะอ๋อฆ่าแม่มดตัวหนึ่งก็ทำให้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 หมายถึงลูกน้องนะแตบางทีบริวารก็หมายถึงว่าญาติพี่น้องนะพ่อแม่พี่น้องของเรานั่นเองซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีใครอยากอยากที่จะอยู่โดดเดี่ยวนะนเนาะบางทีก็จะสังเกตนะโยมนะอาจจะคําว่าพี่น้าจากจากบริวารเนี่ยอาจจะเขาอาจจะยังไม่ถึงกระตายนะเช่นเคยมีใครในที่นี้ไหมมีปกติต้องอยู่ห่างอยู่แยกจากญาติพี่น้องอยู่ห่างอยู่แยกจากลูก หรือจากพ่อแม่หรือว่าโตตัต้งแต่เด็กเลยถูกส่งเรียนโรงเรียนประจําตลอดเลย mm hmm. นะอย่างนี้เป็นต้นอะเมืองไทยก็มีให้เรียนนะแต่ต้องไปอยู่ต้องไปอยู่เมืองนอกอย่างนี้เป็นต้นนะนะหรือหรืออะไรนะยุนเรียนในเมืองไทยนั่นแหละแต่ก็ต้องไปอยู่หอพักอะไรเงี้ยต้องอยู่แยกจากจากบุคคลที่เป็นที่รักตลอดเลยอย่างนี้เป็นต้นก็จะเห็นชัดนะกรรมพวกเนี้ยกรรมพวกนี้มันมันจะทําทําให้เราต้องออกจาก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 ญาติพี่น้องพัดพาจากจากคนที่เป็นที่รักทั้งหลายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของของเศษส่วนหนึ่งที่เป็นของเศษกรรมของการฆ่านั่นเองนะนะก็น่าจะเท่านี้น่าจะขยายชัดอยู่แล้วนโยมเนาะอ่าคุณค่ในนี้เมื่อกี้พูดถึงในเรื่องการเสื่อมถอยจากบริวารหรือบริวารพี่นาาเนี่ยไปดูใน ในชั้นของพุทธโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเขาไว้บอกว่าภิกษุทั้งหลายแตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกําเนิดก่อนได้นําความสุขมาให้แก่มหาชนเป็นอันมากบรรเทาความหวาดกลัวบรรเทาความสะดุ้งความหวาดเสียวเนี่ยนะจัดการรักษารักษาป้องกันคุ้มครองโดยธรรมได้ให้ทานพร้อมทั้งของที่เป็นบริวาร ตถาคตเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์กรรมที่ตนทําแว้สั่งสมพ่อคูณทําให้บริบูรณ์แตถาคตรจึงครอบงามเทวดาเดิฐฐานะสิบดังกล่าวมีอายุทิพเป็นต้นจุติตายจากสวรรค์มาถึงความเป็นอย่างนี้ก็ได้ใต้ฝ่าพระบาททั้งสองมีจักเกิดมีกรรมข้างละพันมีกงมีดมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงจัดวางได้ไวในตาแหน่งที่ถูกต้องด้วยนะ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 แล้วขอให้พระ อ, องค์เนี่ยเดินคือบอกว่าเดินอย่าไปส่งเสียงดังเป็นตั้งแต่เนี้ยนะพอไปเบสเสร็จก็ให้เคาะที่ประตูพระเจ้าปรเสนทิโกสนพอไปเคาะที่ประตูพระบรมศาสดานั่งอยู่ก็ยกประหัตขึ้นบอกว่าประตูจงเปิดนี่นะประตูก็เปิดถ้าเราทําอย่างนั้นยังไม่เปิดยังไม่เปิดเพราะเป็นคนปิดประตูบ้าน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 ให้ให้ทั้งของด้วยแล้วมีบริวารด้วยคิดเป็นไหมเอาไงดียอมแก้วไม่สมมติชิ้นเดียวอย่างเงี้ยจะทำยังไงจะบอกว่าเราจะได้ให้ทั้งสิ่งของพร้อมทั้งมีบริวารด้วยเพราะกรรมอยู่ที่เจตนาใช่ไหมแล้วก็ความเข้าใจ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 แต่ต่อไปเราจะปรุงแต่งจิตให้เป็นคนมีทรัพย์มากและจะได้เป็นปัจจัยแก่การบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยเราจะทํำยังไงจะทําไงดีอา้าวคิดไม่ออกเดี๋ยวพระคิดให้นิดนึงเดี๋ยวเสียวเวลาจะได้ถามข้อต่อไปแก่อาจารย์เขาเนะฮะตรงนี้ยาเนี่ยยามีสีไหม ม, มีสีเนาะ ถ้ามาทาคอนี่ทําให้ชุ่มมีเสียงได้ๆ ด, ด้วยนะฮะนึกถึงเสียงก็ได้มีกลิ่นไหมมีรสไหมเนี่ยมีสัมผัสไห ม, มและธรรมารมมีโอชาเี็ตัวยาน้ํายาที่จะไปทําให้ร่างกายคลายกล้ามเนื้อเป็นต้นได้ไหมเราสมมติว่าเอาธรรมารมณ์คือตัวโอชาตัววิตามินตัวยาทั้งหลายที่จะไปทำให้ร่างกายนั้นสดชื่นขึ้นนี่แหละเป็นประธาน ก็สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นบริวารไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถวายเนี่ยยานี้เอาทำมารวมเป็นประธานเอาสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้เป็นบริวารใช่ไหมบูชาพระรตนตรัยอย่างนี้เป็นต้นที่พอจะได้อย่างว่าแต่ถ้ามีของเช่นถวายข้าวยาคูก็โปรยข้าวตอกดอกไม้ปูอาสนะกั้นเพดานอย่างยกตัวอย่างอย่างวันนี้ใช่ไหมอย่างยอดสุวรรณก็ทําบุญก็ใช่ไหม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 ก็ของอาจารย์นะครับก็เมื่อกี้อาจารย์ท่านก็อธิบายถึงเรื่องปาณฏิบาตนะโ ย, ยมเนาะก็ที่ให้โยมเห็นว่าตัวกรรมนะโ ย, ยมนะเป็นตัวหลักแล้วก็ผลของกรรมนะแล้วก็ถ้าเราดูมุมมองเรื่องกรรมนะโ ย, ยมทวนข้อมตรงเมื่อกี้นิด น, นึงเช่น ว, ว่าการฆ่าสัตว์ให้ผลอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วพอไปดูเรื่องบุญเรื่องกับการที่เป็นผลตรงข้ามกันนั่นเองก็เช่น ว, ว่ามี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 ก็จะเป็นบุญแบบหรือกุศลที่เป็นศีลกุศลด้วยซึ่งตรงนี้จะชี้ให้เห็นนะชี้เห็นว่าผลผลเนี่ยผลแบบเดียวกันเนียอาจจะเกิดจากผลของทานก็ได้ผลของศีลก็ไ ด, สได้สังเกตนะโยมนะแต่ตรงนี้ถ้ามีใครสงสัยมีสงสัยไหมโยมว่านั่นเราไม่ต้องรักษาศีลก็ได้นะสิถ้าเราให้ทานอย่างเดียวเราก็นันจะได้ไหมได้ไม่ได้โยมเช่นว่า เช่นบอกว่าให้ทานก็ไปสวรรค์ได้ใช่ไหมรักษาศีลก็ให้ทานก็รูปงามได้ให้ทานก็บริวารมากได้ใช่ไหมแปลว่าเราให้แต่ทานได้ไหมนะถ้าอย่างที่ยิมคีจานสัมทุบขยายในลักษณะสูตรเนะ <S 2> <S 2> าะก็จะพูดเรื่องทานกับศีลเป็นปหลักนะ <S <S ปุถุิสัท์เมื่อผลของลักษณะที่ท่านได้สามสิบองประการก็ได้มาจากทานกศีลเป็นส่วนใหญนะ่แต่ตรงนี้ก็จะตอบว่า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 เป็นเหตุอย่างนี้แล้วให้ผลอย่างไรศีลกุศลเป็นเหตุอย่างนี้ให้ผลอย่างไรตลอดกับการถึงฝ่ายอกุศลนะว่าว่าการฆ่าสัตว์ที่เรียกว่าปาณอจิบาตเป็นเหตุอย่างนี้ผลอย่างไรจริงๆเมื่อกี้ยังไม่พูดเรื่องถ้าตรงข้ามคาถาด้วยซึ่งซึ่งจริงๆเราพูดเรื่องกรรมบทอยู่เนาะแต่ถ้าพูดเรื่องตรงข้ามคาถาก็เรื่องของการไม่ให้คือจะหนีนั่นเองนะซึ่งซึ่งเรื่องพวกนี้อาจารย์สมทบ ก, ก็เคยคุยไปแล้วเรื่องครั้งก่อนๆนั่นเองนะนี่ก็มาขึ้นอธินาทาน อธินาทานก็เรารู้อยู่แล้วนะอธินานะอธินะอธินังเนี่ยมาจากว่าไม่ให้นะการสิ่งที่ไม่ให้แล้วเรียกว่าอธินอินังเนี่ยนะแล้วก็อาธานังมาจากว่าถือเอานะการถือเอาซึ่งสิ่งที่บุคคลอื่นไม่ให้ชื่อว่าอธินาทานนั่นเองนะอธินาทานหรือที่เราเรียกว่าการขโมยนั่นเองนะการถือเอานะสิ่งที่บุคคลอื่นไม่ให้อ่ะชื่อว่าอธินาทาน อินทานจะสําเร็จเป็นกรรมบทได้ก็ด้วยองค์5้านะ อ, องค์ที่1คือปรปรับปริคขีตังอะนะประปริคหิตังวัตถุนั้นมีเจ้าของหวงแห่นะนะวัตถุนั้นมีเจ้าของหวงแหนนข้อที่2ปรปริคหิตัสั ญ, ญตานะรู้ว่ามีเจ้าของหวงแหนนะอันนี้ง่ายนะไม่มีอะไรนะข้อ3ม เยยจิตตังมีจิตคิดจะรักขโมยนั่นเองนะข้อที่4ก็อุ ป, ปะกรรมหรือว่ายาโมเนี่ยนะแปลว่าความพยายามนะก็มีความคิดแล้วก็พยายามไปที่จะทางกายหรือว่าจะเพื่อให้ได้มาต่อมาข้อสุดท้ายทําให้กรรมนั้นบริบูรณ์นะเจนะนระนังนะเจนะระนังก็คือรักรักมาด้วยความพยายามนั้นนั่นเองนะเมื่อกรรมนี้ครบครบองค์ประกอบทั้งห้า ไม่ขาดตกบกพ่ององค์ใดองค์หนึ่งเจ้าก็จะบริบูรณ์ด้วยความเป็นกรรมบทนะบริบูรณ์ด้วยความเป็นกรรมบดเหมือนต้นไม้ต้นใหญ่นะบำรุงด้วยปุ๋ยแลนะน้าอย่างดีครบบริบูรณ์ก็จะผีดอกออกผลนะต้นอะไร็ขารมนาถ้าเขาพูดเรื่องบาก็ต้องเป็นต้นอุตรพิษทั้งหลายอนะเนาะก็ใช่ผลเป็นที่ผลดกเลยนะแต่เป็นพิษนั่นเองนะเป็นพิษซึ่ง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 ก็มามาลองลองดูกันว่าในการทรอทินาทานเนี่ยนะเมื่อให้ผลให้ผลอย่างไรเนาะให้ผลอย่างไรก็จะเป็นผู้ที่มีทรั์และข้าวเปลือกน้อยหรือไม่มีนั่นเองนะนะต่อมาก็ความเป็นผู้มีโพค้ไม่มีเลยนะ ก็คือไม่มีโคลคัมเมกี้ไม่ ม, ไ ม, ม, ไ ม, มีไม่มีซับและเข้าเปลือกต่อมาก็ไม่มีโคโคะโคคะนะข้อถัดไปไม่เดี๋ยวนี้แยงชัติขนานี้ก็ได้ครับเด็ดสำคัญโคอันจะได้ไม่เหมือนกันความเป็นผู้มีความไม่มีโคลคะยั่งยืนก็หมายความว่าเมื่อมีโคลคะเป็นไงโยมอาจจะมีแค่ช่วงเดียวพอมีแล้วก็หมดไปเคย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 ก็นี่เป็นส่วนหนึ่งของนะของอาทินนาทานตลอดจนการที่เราป่าธนาทรัพย์ใดๆแล้วก็ไม่ได้ตามความป่าธนาเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มของอาทินนาทานเนาะอทินนาทานก็จะเป็นยุ่งเกี่ยวกับกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะของตระกูลอาทินนาทานในประวัติการนะซึ่งปกติชีวิตชาวโลกก็ต้องการพวกทรัพย์สินเงินทองอยู่แล้วใช่มโยมต้องการทรัพย์มากๆนะแต่ทรัพย์นั้นก็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 นะสิ่งแวดล้อมจะเดือดร้อนขนาดไหนแต่คนที่ไม่สร้างเหตุแบบนี้ไว้ผลก็จะไม่มีทําให้ไรซั์ขาดแคลนซั์หมดรับหรือว่าชิปหายความชิปหายของรับสมบัตินั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวการธรรมทินาทานและไม่ธ ร, รมทินาทานด้วยนั่นเองนะนะแล้วก็อีกอันนึ่งนะก็คือได้รั์ ตามใจปาถนา่ะนะและและการไม่ได้ทรัพย์ตามใจปารถนาก็คือพวกที่ทําอาทินาทานนะก็เมื่อปาถนาทรัพย์แล้วก็จะไม่ได้ทรัพย์แต่คนที่ละขาดจากอาทินาทานเมื่อปารถนาทซับซัพย์นั้นก็จะได้มาโดยง่ายนั่นเองนะอันนี้ก็ขยายของจริงๆก็พูดถึงอาทินาทานเนาะโยมเนาะก็เลยพูดพูดผลของอาทินาทานที่เป็นไปในประวัติการ แต่ก็ถ้าเว้นจากอดินนาทานก็จะมีผลตรงข้ามกันนั่นเองซึ่งเดี๋ยวอาจารย์สมทบก็จะมีเรื่องข้อมูลขยายเพิ่มเติมให้ด้วยนึกมันรย์ครับเออขอขอเสริมตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะสอบถามเรื่องอทินนาทานเนะี่ยคือจิตที่เกิดขึ้นในการงดเว้นและการเลิกละการงดเว้นจากอดินนาทานกิริยาที่ไม่ทาอดินนาทานก็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 ของบุคคลผู้งดเว้นจากอธทินนาทานฉะนั้นในเรื่องของอธทินนาทานเนี่ยจะต้องใช้ความเพียรด้วยนะความเพียรด้วยการประคับประคองสรุปก็คือว่าต้องมีฉันทาวิรยิยะจิตตะแล้วก็ปัญญาด้วยเป็นตัวในการที่จะมาขับเน้นในการที่จะทำให้จิตที่คิดจกไม่กระทำผิดในข้อนี้นะถ้าหนึงใช้คาว่า อธินนาทานก็คือการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ก า, การนำการนของผู้อื่นไปหรือการลักไปได้แก่ความเป็นขโมยอธินนังก็แปลของของที่คนอื่นเขาห่วงแหนบุคคลใดเป็นผู้ทาตามใจชอบในของผู้อื่นที่เขาห่วงแหนแม้ไม่ควรได้รับโทษทันหรือ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 ตรงนี้ก็คือว่าของของมีราคาน้อยคือของเลวเนี่ยนะอย่างนั้นก็เรียกว่าโทษน้อยถ้าโทษมากก็ของผู้อื่นประณีดแล้วก็มีราคามากวัตถุประณีดพิเตอรเนี่ยนะตอนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อมีวัตถุเสมอกาธินาชื่อว่ามีโทษมากในวัตถุของผู้มีคุณธรรมสูงเป็นต้นด้วย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 ปราริคหิตะสัญญาตาสัญญิตาก็รู้อยู่ว่าเป็นของที่คนอื่นเขาหวงแหนข้อที่สามว่าไงเยจิตตังจิตที่คิดจะรักข้อ4ทําความเพียรเนี่ยนะที่จะรักห้ากเตนเตนะฮารนังรักมาได้ด้วยความพยายามนั้นทีนี้ถ้ามองมองในชั้นของจิตที่คิดจะรักเนี่ยรายละเอียดของการลักนั้นมีเยอะ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 ใช้อำนาจคุณใสเป็นต้นบรรดาอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้นะการลักโดยการขมโมยลักโดยการข่มขู่ลักตามที่กำหนดไว้ลักด้วยกิริยาที่ปกปิดอะไรต่างๆเนี้ก็เกี่ยวกับการซ่อนของการยืมของอะไรในรายละเอียดมากในข้อของอธินาทานเนี่ยรายละเอียดเยอะมากเราจะไม่ตามไปดูในรายละเอียดทุก ม, มุมทุกข้อแลนะ้วดูจากระยะเวลานเนี่ยนะทีนี้ดูผล เมื่อสักครู่ดูผลเกี่ยวเรื่องการว่าหนึ่งด้อยทรัพย์ทําให้ต้องเกิดในครอบครัวที่มีฐานะต่ําต้อยนี่ก็ตรวจสอบไปเรื่อยๆนะข้อที่สองก็คือยากจนเนี่ยเกิดในตระกูลต่ําเกิดในตระกูลต่ําข้อที่สามก็เป็นคนที่อดอยากมีชีวิตอยู่แล้อย่างแวนเล่นแค้นเนี่ยนะก็มีผลมาจากการด้อยทรัพย์นั่นแหละ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 ให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเหล่านี้ทำให้ได้รับผลก็คือได้แก้วเจประการนี้แต่ถ้าดูแล้วว่าถามว่าจับกแก้วช้างแก้วและม้าแก้วเนี่ยสำเร็จมาด้วยอนุภาพของความไม่โกรธความไม่โกรธแก้วมณีนางแก้วขณนบดีแก้วเนี่ยมาจากอะโลภะคือความไม่โลภปรินายกแก้วใช่ไหมคุนผลเนี่ยอันนี้ได้มาจากปัญญา ทีนี้ก็มานั่งคิดกันแลแ้วตอนนี้ว่าทำไมคนถึงโกรธกันเนี่ยนะในข้อของปฏิบัติเนี่ยความโกรธความอาคาดความพยาบาททั้งหลายเหล่านีย้ยิ่งมีมากยิ่งลดเดชลดอำนาจมากไม่ใช่ทำให้ได้อำนาจมากฉะนั้นใครปรารถนาเดชปรารถนาอํานาจปรารถนาเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหลาย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 ทีนี้ก็ไปตรวจสอบดูว่าอาโทสานั้นมีลักษณะเช่นไรลักษณะของอะโทสานั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่ประทุสร้ายใช่ไหมไม่ประทุสร้ายเป็นธรรมชาติที่ไม่โหดร้ายไม่ดูร้ายต่ออารมณ์คําว่าไม่โหดร้ายไม่ดูร้ายต่ออารมณ์ก็คือว่าไม่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับใครเกี่ยวข้องสรุปก็คือไปเกี่ยวข้องกับสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและกระทมาอารมณ์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 ได้ยินเสียงแล้วก็โกรธเงี้ยได้กลิ่นแล้วก็โกรธใช่ไหมแล้วไปโกรธรดโกรธยังไงเดียวงงเลยเดี๋ยวนี้โกรธยังไงเอาอาหารมาให้มไม่ถูกใจใช่ไหมเป็นไปได้มหมย้อมเลี้ ย, <ช>อ ย, ยงอาหารมาถาวายว่ากินปุ๊บมาท่านจามีชายบอกเแย่แต่อนี้มันจะกินลงได้ไงเนี่ยอีเงี้ยสมมติเงนะี้ยแงโกรธเงี้ยเห็นไหมเนี่ยก็โกรธรดนั่นเองเพราะไม่ถูกเอาเอาสิ่งของมาให้ที่สัมผัสไม่ดีทั้งหลายเนี่ย หยากขึ้นมาสมมุติไปกโกรธเนี่ยสรุปก็คือว่าบัญญัติทั้งหลายเป็นต้นกิริยาทั้งหลายก็ก็คือทําอารมณ์สรุปแล้วเราโกรธอะไรโกรธสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทําอารมณ์ใช่ไหมแต่ก็มาบัญญัติเป็นสัตว์บุคคลก็ว่ากันไปเราอาจจะบัญญัติสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสด้วยความเป็นน้องโกรดน้องไงสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสทําอารมณ์ด้วยความเป็นพี่ด้วยความเป็นพ่อด้วยความเป็นแม่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 จักรแก้วช้างแก้วแล้วก็ม้าแก้วถามว่ามีจักไว้เป็นอะไรเนี่ยไว้ทําอะไรถามว่ามีใครจะอยากจะต่อกอนกับพระเจ้าจาักรพรรดิไหมแล้วพระเจ้าจาักรพรรดิเวลาจะไปที่ไหนก็รวดเร็วใช่ไหมช้างแก้วม้าแก้วเนี่ยไปได้อย่างรวดเร็วถ้าในสมัยปัจจุบันเนี่ยจดรวดที่เร็วก็เสียงเนี่ยยังเร็วช้ายังสู้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 เขาถึงบอกว่าอะโทสะเป็นธรรมชาติที่ไม่โหดร้ายธรรมชาติที่ไม่ปัตรทศร้ายต่ออารมณ์นี่ก็ไปแยกแยกไปพิจารณาดูก็จะเห็นกิ่ของอะโทสะก็คือทําลายทําลายโทสะนั่นเองให้สังเกต ด, ดูว่าสภาพของโทสะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีกลิ่นใช่ไหมเป็นธรรมชาติที่เย็นเหมือนเหมือนจันน์เหมือนกลิ่นจันน์เวลาเอามาใช้เอามาอยู่ด้วยก็จะทําให้เย็นใจ ผลปรากฏก็คือว่าจะทําให้อาการปรากฏเกิดขึ้นมีความมีความสงบมีความสุขคนที่มีอัตโทสะแข็งแรงผลปรากฏก็เหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญอย่างวันนี้เป็นวันพระใช่ไหมขึ้น15คห้าคอย่างเงี้ยนีไม่รู้ 14- บสี่หรือสิบหใช่ไหมนเนี่ยสิบห้าเนี่ยถ้าตอนกลางคืนโดยดวงจันทร์ที่จะขึ้นมาเต็มดวงก็จะมีความสุขมองแล้วก็จะเกิดความเยือกเย็นสงบแข้นใดสภาพของอัตโทสะเป็นอย่างนั้นแหละ ฉะนั้นตักุศลจะต้องเป็นลักษณะสงบเย็นแบบนั้นนี่จะทําให้มีอํานาจจะทําให้มีเดชนะจะทําให้มีเดชมีอํานาจทีนี้อโลภะทําให้ได้แก้วมณีนางแก้วแล้วค้าหงหาบดีแก้วถ้าถามว่าพระเจ้ามันธาตุราชเนี่ยเวลาตกพระหัตถ์เนี่ยรัตตนะที่เป็นเงินทองเป็นฝนมหาปัญญาเนี่ยล่วงไจากฟ้าได้เนี่ยเพราะความไม่โลภ เราเนี่ยลองไปตอบจนมือพังมันก็ไม่ร่วงใช่ไหมแต่บางคนตบก็ได้เงินเหมือนกันนะใช่ไหมได้ไหมได้บางคนก็ไปตบเงินตบมือใชคนบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีมีฐานะหรือมีคนใครก็อยากเห็นเนี่ยแค่ขึ้นไปร้องเพลงไปตบมือหน่อยอเนี่ยนะ <Okay. S 1> เขาก็เอาเงินให้เอารางวัลให้ไอ้ก็ตบก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ เราตอบไม่ได้เราไปตอบอยังไงรังที่อันเนี้ลดขึ้นมาตอบอยังไงเงินก็ไม่ไม่ล่วงมาแต่นี้พูดถึงว่าจากอจากแก้วเนี้ยเดี๋ยเข้าไปพูดถึงแก้วมณีแก้วมณีก็พวกรัตนะทั้งหลายเหล่าเนี้ยแล้วอีกอย่างที่ชัดก็คือนางแก้วนางแก้วเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีสัมผัสที่นิ่มใช่ไหมสัมผัสที่นิ่มก็คือว่า ถ้าหน้าร้อนก็จะผิวกายก็จะเย็นใช่ไหาหน้าหนาวผิวกายก็จะอุ่นใช่ไหมกลิ่นปากก็จะหอมอบอวลท่า น, นที่นั่งอยู่นี้ไม่ทราบว่าใครมีคนสมบัติแบบนี้ไหมมีว่ากลิ่นปากเหมือนกับกลิ่นของดอกมะลิดอกอุบนเนี่ยแล้วหอมตลอดไม่ต้องแปลงฟันเนี่ยเป็นไปได้ไหมอันนี้แสดงว่าเห็นชัดเลยใช่ไหมว่า ความโลภของเรานี่แหละทำให้กลิ่นปากเหม็นทำให้กลิ่นปากเหม็นฉะนั้นความไม่โลภใช่ความไม่โลภต่างหากเป็นเหตุให้ได้ซั์โดยเฉพาะกระหาังบดีแก้วเนี่ยคือการได้ซั์อันนี้พูดถึงซั์ภายนอกนะแต่ถ้าหากขับเน้นมาในคาสอนของพระพุทธเจ้านี่นะอโลภาเนี่ยทำไม่ได้อริยาซับ ซับคือศรัทธารัพย์คือศีลรัพย์คือหิริโอตปะจาระปัญญาทั้งหลายเหล่านี้นะซับคือสติปัฏฐานสมปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พระโาพุทธชงอริยมารทั้งหลายเหล่านี้รัพย์เหล่านี้เป็นทรัพย์ของคนไม่โลภท่านถึงจะได้อริยทรัพย์เหล่านี้ฉะนั้นทั้งรัพย์ภายนอกและรัพย์ภายในทั้งหลายต้องขับเน้นในการละความโลภส่วนอโมหะคือปัญญาเหล่านี้จะทําให้ถ้าหาพระเจ้าจักรพรรดิขันจะได้ปรินายกแก้ว คิดอะไรแล้วก็มีคนรู้ใจอ่ะคิดแล้วก็ทำให้ได้ทุกอย่างเคยเจอไหมเคยเจอคนที่มีลูกน้องขนาดนั้นไหมล่ะมีผู้ใต้บังคับบัญชาขนาดว่าแค่ตำรวจเนี่ยตื่นเช้ามาเ้าทำให้เบสเร็จแล้วถ้าปรารถนาระดับนั้นก็นี่ไงใช่ไหมอโมหะคือปัญญานี่แหละให้ทำอโมหะคือปัญญายกตัวอย่างเช่นการจะให้วัตถุทานหนึ่งชิ้นนะนะ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 อันนี้ไม่ใช่ไปหาคนรับรองว่าเออมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เดี๋ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้เห็นไหมในสวรรค์ชั้นดาวดึงอ่ะท้าสกะที่ไปมัวหลงละเริงในเวชยันตปราสาสตร์พอเห็นพระเถเระคือพระโมคคานะขึ้นไปเบ็ดเสร็จก็บอกโอ้พระเทเระมาเชิญท่านดูบุญของโยมหน่อยดูที่เนี่ยเวช ย, ยันตปราสาสตรมีนางฟ้าทั้งสามโกดครึ่งอันนี้ก็คือบุญของโยมทั้งนั้นว่างั้นเชียร์พระเทเระด้วยพระ พระเถระจะไปถามบอกว่าพระบรมศาสดาท่านคุยกับพระตลาดศาสดามื้อคืนนี่คุยเรื่องอะไรแต่ท่านลืมทัแล้วพอไปเห็นวิมานตนเองใช่ไหมเหมือนคนบางคนเนี่ยเรียนธรรมะมาอย่างดีเลยพอไปเที่ยวทะเลครั้งเดียวลืมหมดเลยอย่างนี้สมมตินะี่ลืมหมดเลยปลาปูกุ้งเอาไปกินหมดใช่ไหมไปได้นิมิตดีๆพอช่วงเทศกาลสงการขึ้นมาแล้วไปกันแล้วตดีนี้ลืมเลยเดีนี้กลับมาธรรมะ ท, ที่ท่องไว้ก็หายจะต่างอะไรกับทาสกาใช่ไหมตอนนั้นนี่ย ท้าสกาก็ก็ท่านก็ลืมนึกไม่ออกก็เลยเปลี่ยนเรื่องบอกว่าจะพาพระเถระชมบุญของท่านบอกนี่ชมเวทเวทย์ชยันปราสาสตรนะดูช้างเอราวัณดูสวนสวนอะไนันทวานเลยมิศกาวันเลยปารุศกาวันเ ป, นป็นต้นนี้นะสวนคือต้องการให้ดูสวนในดาวดึงอ่ะไปไปมาก็พระเถระบอกเท้าสกาก็นี่มัวมัว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 แต่ทําไมเท้าของพระเทล่าสกิดนิดเดียวทําไมไหวล่องกันร่องกันลั่นเลยปลายเวชยานประสาทเนี่ยเกือบติดพื้นนะดีนะระบบป้องกันแผ่นดินไหวก็ดีแต่เป็นงั้นจริงๆพระเทลาไม่ต้องการจะทําให้พังเผอิญ น, นะถ้าท่านอาจารย์มีชัยท่านมีฤทิ์มีเดชเนี่ย <c oughs> ท่านจะขยา่า ขย่าวแผ่นดินตรงนี้ให้โยมสุวรรณเหรียญเพื่อนเรถามท่านท่านบอกไม่มีทําไม่ได้ท่านอย่างงก็เลยขย่าให้ดูว่าเนี่ยถ้าถามว่าไอ้โยมเนี่ยบุญเนี่ยไม่แข็งแรงนะนี่นะใช่ไหมถ้าเป็นพระเถระสมยัยกลางวัฏการนี้ท่านพูดได้ชัดเจนบุญไม่แข็งแรงหรอกถ้ายังไปเถียงท่านบอกว่าแข็งแรงอยากดูไหมละ่ะไม่แข็งแรงนี่ขย่าวได้จริงด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ลูกเสดชั้นหลังหมดฤทธิ์หม ด, หมดอํานาจ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 อุทกภัยวาตภัยอคีภัยราชภัยโจรภัยอีกเยอะเนี่ยมองตรงนี้เสียจะได้รู้จักกรรมของอคินนาทานที่ทำไปว่ามันให้ความเจ็บปวดแต่ตอนนี้ตอนนี้นี่นะกุศลกรรมยังประคับประคองอยู่ก็ดูในําให้สถานการณ์ของเราท่านทั้งหลายยังพอหายใจโล่งหน่อยใช่ไหมแต่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 คำถามของโยมถามว่าการฆ่าสัตว์นี่ก็ทําให้ทรัพย์ของเขาพินาศหมดเหมือนกันหมดใช่ไหมแต่สังเกตว่าการฆ่าสัตว์นี่เขาทำให้ให้สัตว์นั้นพินาศจากทรัพย์โดยการตัดชีวิตจินทรีนะตัดชีวิตออกจากทรัพย์แต่ถ้าเป็นอธินาทานตัดทรัพย์ออกจากชีวิตจะต่างกันตรงนี้นะคืออันนึงเอาชีวิตออกจากทรัพย์สมบัติคือวัตถุ ก, การมทั้งหลายนี่เป็นเรื่องของปัญญอธิบายแต่ถ้าธินาทานเนี่ย เอาเอาทรัพย์ที่เรียกว่าวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายเนี่ยออกจากจากชีวิตนะนะจากชีวิตก็จะต่างกันตรงนี้เนาะผลผลของบรรดานิบาทบางส่วนก็ให้ผลเป็นผู้ไนะร่ทรัพย์นะเศษกรรมของเขาก็หนดเป็นผู้ขาดแคลนทรัพย์ด้วยเหมือนกันดังนั้นดังนั้นถ้าในถ้าเราได้รู้ว่านิสสงของของพวกบรรดานิบาศครบเนี่ยเขาจะเห็นชัดว่ามันจะปน ป, น, ป, น, ป, น, ปนกันไปหรือว่าพูดถึง ศีลห้าหรือกรมบวชทั้งหลายเนี่ยผลของบาปหรือผลของบุนเนี่ยบางทีมันจะดูทับทับค า, าบเกี่ยวกันนะเนาะทับแล้วก็ค า, าบเกี่ยวกันก็ไม่แปลกอะไรนะเพราะว่าถ้าเรามองเห็นมุมมองชีวิตจริงๆชีวิตของชีวิตของหมูส่สัตว์จริงๆก็ก็เป็นไปในทวารทั้งหกที่เป็นเปกระตาเห็นสีหูได้ยินเสียงจมูกลิ้น ok, ร, รู้กลิ่นรินรู้รสกายรู้สัมผัสใจคิดในเรื่องราวใช่ไหมซึ่ง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 กับภาชินนาทานนะหรือกลับนมัสการอีกครั้งจ้าคืออย่างให้ทานกระทบตนกระทบผู้อื่นเพราะเป็นเหตุให้เสื่อมจากซับด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าให้ทานกระทบตนกระทบคนอื่น้อาจารย์สมทบบรรยายไปแล้วนั่นเองเนาะอันนี้สงอันิี้สงของเขาก็จริงๆก็จะพูดเรื่องให้ทานไม่กระทบก่อนนะเนาะให้ทานไม่กระทบถ้าให้ทานไม่กระทบผลก็จะ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 พี่นาฏไปได้ง่ายนั่นเองนะพินาฏไปได้ง่ายซึ่งตรงนี้ตรงนี้ก็เลื่องทานบุศลใช่ไหมก็จะมามีผลทั้งทั้งที่เป็นทานมุศลจะมีผลใกล้กับอาทินาทานนะเพราะว่าไอ้ตัวการให้ทานแล้วกระทบตนกระทบคนอื่นนะไอ้การกระทบนั้นเป็นกลุ่มของของมานะกลุ่มของมานะธรรมดาของมานะเวลาเกิดขึ้นก็จะมีมาพร้อมกับโลภะ โลภะตัวเจตสิกเหล่านี้จะเป็นฝ่ายบาปถ้าเราเห็นเจาะไปที่ตัวบาปกลุมเนี่ยนะกลุ่มความโลภเนี่ยก็ใช่ผลทําให้ไร้หรือขาดแคลนจากวัตถุกามทั้งหลายได้นั่นเองคือความวิบัติความเสียหายของสี่เสียงที่เรสัมผัสก็จะเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งซึ่งตัวนี้ตัวทินาทานเองก็เป็นตัวของกลุ่มตัณหากลุ่มโลภะนั่นเองนะที่โลภะที่ไปจัดแจงจัดการกับ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 เย็นร้อนอ่อนแข็งเหล่านี้เป็นปัจจัยแกโลพะถ้าโลพะเกิดผลก็จะสี่เสียงกีรสัมผัสเหล่านั้นก็จะวิบัตินั่นเองนีน่คือคอนเซปต์ของของของกลุ่มโลพะหรือกลุ่มของอกุศลทั้งจริงๆอกุศลทั้งหมดก็เป็นกลุ่มแบบนี้นะให้ผลแบบนี้นั่นเองดังนั้นตัวมานะให้ผลเป็นทรัพสมบัติพินาศไป ก, ก็ก็ไม่แปลกอะไรที่จะเป็นเป็นเหมือนกับตัวอจินาทานได้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 ไปบอกได้ว่าความชิดความพินาศของทรัพย์ครั้งนี้เกิดจากกรรมไหนกันแน่โดยตรงเราประมาณการได้ตามทฤษฎีเพราะว่าการที่เราจะชี้ลงไปได้ชัดเจนขนาดเนี้จะเป็น ต, ต, ต, ต, ต้องใช้กำลังญาณที่สูงมากที่เรียกว่าสัมมาสัมปวิญาณเนาะถึงจะชี้ชัดลงไปเลยว่าสมมติว่าอาตมาเสียทรัพย์ครั้งนี้เกิดจากกรรมนี้ในวันนั้นชาตินั้นอย่างนี้เป็นต้น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 มันน่าจะเกิดชักกรรมอะไรในอดีตคือมันเกิดฉักกรรมอะไรในอดีตนั่นเองแล้วเราก็เห็นเหตุเ ห, เห็นผลแล้วก็เลี่ยงอกุศลแล้วก็เจริญกุศลนี่คือทฤษฎีของการเรียนรู้เรื่องกรรมบวนะอกุศลกรรมบว10หรือกุศลกรรมบว10ิบตลอดจนการรู้เรื่องทาเรื่องสีเหล่านี้เป็นต้นนะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าสักครู่นี่นะครัถ้าไม่เห็นมุมอะไรว่าเห็นว่า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 ก็เลยยกยกไปกระทบบุคคลอื่นเลยว่าเรามันมีน้อยสมมุตินะถ้าพูดโดยตรงๆก็ยิงตรงที่ยมสุวรรณเลยบอกว่ามีคนก็ถามว่าเนี่ยไปให้ทานเหมือนกันเห็นยมสุวรรณให้ทานเยอะๆอย่างนี้แล้วก็มีการถวายทานในพระสงฆ์แล้วก็มีญาติธรรมทั้งหลายทั้งอุบาสกบาสิกามาก็มีการแจกทานมีการถวายทานเจริญทานกุศลคนหนึ่งก็เลยจะพูดขึ้นมาบอกว่าเออให้ทานเหมือนกันบอกอ่ะ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 แต่จริงอยู่ก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นทานแต่จิตที่ไปคิดกระทบเนี่ยมันกลายเป็นอกุศสลกรรมอกุโสลกรรมประเภทนั้นเวลาให้ผลก็มาทําลายทรัพย์มาทําลายทรัพย์ทําให้วิบัติไปต่างๆนี่เป็นอย่างนั้นอาไม่ทราบว่าใครจะถามเพราะเชิญยอยอ้าวอ่านอ่านปนัญหาถามเมื่อกี้วันดีดู ทางการให้จา้างแล้วค่ะเหตุแห่งการได้รับผลของทานนะ ะ, ะผู้ที่จะต้องอได้มาด้วยการหาหามาเองนะคะอประเภทหนึ่งก็เป็นผู้ที่จะได้รับของอยู่เสมอๆจากผู้ อ, ะะอื่นนะะแล้วก็หรือเหตุแห่งการไม่ได้เช่นบางคนก็มักไม่ได้ของหรือได้ของก็มีที่มีตาหนเิเสมอๆนะคะะ เหิุแหการจากการได้และไม่ได้นะคะแล้วข้อที่สองยกตัวอย่างเทวดาที่มีเทวดาสองประเภทประเภทที่เนรมิตเองกับประเภทที่ผู้อื่นเนรมิตใหอ้อยากทราบว่าเหตุเช่นใดถึงได้ผลเช่นนี้เจ้าค่ะสารนการค่ะขึบนต่อใไหมนีม่ไม่ดังดังดังเลยดังเลยดังเลย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 แต่ไปประเภทอกุศลเนี่ยไม่เชิงอกุศลเพราะว่าเป็นการได้เหมือนกันแต่สมมุติเนี่ยอยู่ในกลุ oh ่มเดียวกันเนี oh ่ยก oh ็จะเป็นคนมักได้ของที Aww, ่ไม่ดีหร I mean, ือไม่ก็ูกลืมเลือนไม่ได้ของอย่างนี้ค่ะเป็นผลจากการอะไรคะทไมอน้ไหนไมอะต่อไป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 ถ้าไม่ขนขวายทางกุศลก็จะก็จ ะ, ก, จะก็จะให้ผลไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็น1 1กรณีที่จะตอบตรงนี้และอีกส่วนหนึงก็จะเป็นอยู่ในสับริสถานนะสูตรนั่นเองนะจะเป็นข้อที่1ข้อที่1เดี๋ยวลองทวนนิดนึ่งนะ1ให้ด้วยศรัทธาใช่ไหมนะสให้ด้วยความเคารพ3ให้ถูกเวลา4ให้ด้วยขาดนะนะให้ด้วยขาดก็คือให้อนุเคราะห์นะอนุขิตทานนั่นเองนะอันที่ห้า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 ผิดเวลาเวลาเหมือนกันนะเวลาผลจะให้แม้จะมีทซั์ก็ไม่สามารถส่งผลได้ตรงเวลาถูกเวลาถูกต้องอันนี้ก็เป็นขั้นแบบปนีขึ้นมาอีกถ้าเราอยากถึงขั้นว่าถึงเวลาปุ๊บก็มาพร้อมถึงเรับปุ๊บมาพร้อมไม่ต้องเอ่ยปากขอเลยเขาก็จะมาไม่รู้มันตอบเกินไปถึงข้อหลังหรือเปล่านะโยมนะก็อาจจะไปเกินเกินแถวสวรรค์ชั้นบนนั่นนะ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 สายยาทานนะก็ここอาจจะได้ลองลงมาหรือคนที่ให้แบบของที่ไม่ชอบแล้วก็ให้ก็อาจจะได้แบบของที่สาลาเปาลูกนั้นขี้เละขี้เลอะแล้วก็แกะดูมดูไส้ก็ไม่ใช่ไส้ ต, ตัวเองจะกินเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะนะเหมือนกับว่าเหมือนกับตอนที่ตัวเองสร้า ง, างเหต <s> ุก <c oughs> ็คือตัวเองให้ของที่ไม่เอาอ่ะตัวเองก็้ได้ของที่ตัวเองไม่เอาเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะนะก็ยังไ ด, ได้นะในเรื่องคานยังได้อยู่แต่ถ้าไม่ถึงขั้นว่าไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เลยนี่แปลว่า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 จะให้ทานกับในขอเราก็ไปตหนีของที่ไม่ใช่ของเราก็เลยไปห้ามเขาเฮ้ยอย่าไปให้เลยเจ้าคนนี้เขาก็มีมือมีเท้านะเขาท่านจะหากินเองได้เราจะไปให้ทําไมอย่างนี้เป็นต้นก็ไอตรงนี้ก็ตัวความตนีเหมือนกันนะเวลาเราควรจะได้เราได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นอกุศลด้วยนะเพราะความตหนีเป็นอกุศล น, นั่นเองนะนั่นในหลักการเขาจะบอกว่าห้ามห้ามบุญของผู้ให้ห้ามวิบาสของผู้รับ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 ควรเลียควรดื่มที่ปลาเนียมีรสอร่อยอย่างเงี้ยนะของที่คนบริโภคก็ได้แก่โภชนะ5อย่างข้าวสุก ข, ขนมสดแป้งปลาเนื้อเป็นต้นของที่คนเคี่ยวก็ได้แก่แป้งของที่ควรลิ้มเนยใสเนยข้นน้ําผึ้งของที่ควรเลียก็ได้แก่กลุ่มไอศครีมทั้งหลายก็เ น, นะหรือว่าของที่ควรดื่มข้าวปลายาดหรือว่าน้ำปลาเนาะน้าํนนมามะม่วง น้ำลกว่าน้ำกล้วยมีเมล็ดไม่มีเมล็ดน้ำมะซางน้ำองุ่นน้ำผลจันทร์น้ำเง่าบัวน้ำมะปรางหรือลิ้นจี่เนี่ยนะลักษณะการให้เนี่ยถ้าพระโพธิสัตว์ท่านจะเดินกุศลไม่ว่าจะทานกุศลศีลกุศลเนี่ยก็คือว่าบำเพ็ญมาอย่างยาวไกลถ้านับตั้งแต่เสียสงไขมาเป็นต้นน่ยนะยิ่งด้วยแสนมหากัรท่านเป็นทานน้ำบดีท่านเป็นสามีทาน แต่ชนเราอื ies, melee, ried, unda, ่นเนี่ยชนเราอื่นคือกลุ่มเราท่านทั้งหลายเนี่ยให้โภชนาที่เศร้าหมองโดยส่วนใหญ่นะอาหารเนี่ยตกถึงท้องเนี่ยจากของที่เศร้าหมองเราให้ของที่เศร้าหมองเราไม่เลือกไม่เลือกโภชนาที่ประณีตของที่ดีทั้งหลายเหล่านี้ในการแจกในการให้เนี่ยนะของเหล่านั้นตกถึงท้องเนี่ยวิตามินทั้งหลายเหล่านี้ก็มีน้อย โลหิตก็จะซูบซีบเนื้อก็จะเหี่ยวแห้งจึงมีเนื้อน้อยเลือดน้อยมนุษย์บางคนเกิดมาก็คล้ายๆอย่างมนุษย์เปรตใช่ไหมเกิดมาต้องมาซูบมาซีบมาผิวพันธุ์ที่ซามทั้งหลายเหล่าเนี้ยแต่ไม่ใช่คนอยากผอมทำหุ่นผอมๆนี่นี่ก็ยุคนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะเ น, นี่ยอนิสง์เนีกรณีาการให้ทั้งๆ ท, ท, ที่ให้เหมือนการแตกตนเองก็ได้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแล้ว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 หรือถ้าดูอย่างนี้ว่าพระโพธิสัตว์เหตุผลท่านได้ฝ่าพระหัตถ์แล้วก็ฝ่าพระบาทอ่อนนุ่มมีฝ่าพระบาทแล้วฝ่าพระหัตถ์ทั้งหลายเล่านี้มีลายดุจตาข่ายอันนี้เป็นอ น, นิสงค์ของการให้ของที่ดีของของที่ปราณีเหตุที่ได้เพราะเป็นผู้สรงเคาหมู่ชนด้วยสังขาวัตถุสี่ก็คือให้ทานก็ได้ฉลาดในการให้ให้เครื่อง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 แต่กลัวจะสามสิบย่างถ้าก๊